เรื่องต้นเราพุทธศาสนิชยชนปฏิบัติธรรมตามธรรมคำสอนของพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับจึงจะถูกต้องขั้นถ้าไม่ปฏิบัติโดยลำดับไม่ทราบว่าเราปฏิบัติขั้นไหนเพียงเพียงแค่ไหนก็ไม่รู้เรื่อง อาหาก็มันเสื่อมก็ไม่ทราบว่าเสื่มอมยังไงมันเสื่อมจากหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างไงเหตุนนะั้นจึงค่อยตั้งใจฟังอธิบายโดยลำดับคืออธิบายลำดับนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกเรียกว่าทานจิตภาวนาเหล่านี้เราไปก่อนทานทานนั้น ให้ก็รู้จักทุกๆคนที่ว่าทํำทามแต่ขอให้พิจารณาอีกสักก่อนให้ฟังอีกทีหนึ่งสักก่อนอย่าเพิ่งโมเมว่าเข้าใจแล้วเรื่องทำทานคนที่เข้าใจว่าตนรู้แล้วเข้าใจแล้วย่อมฟังจริงนั้นไม่เข้าใจจริงในทั้งปวงมดก็เหมือนกัน เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราเป็นแล้วสิ่งนั้นเมื่อทำางันจริงๆงจังไม่เป็นอันนี้ก็ฉันเดียวกันทานนั้นรู้จักแต่ว่าทานรู้จักก็ยังมานจบสิ้นสาเรียนเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องรู้จักทานก็ดียังมีเยอะแยะทานในพระพุทธศาสนาท่านสอน เมื่บไม่เหมือนกับทานที่เขาเขาสอนกันทั่วไปทั้งโลกเขาสอนทั่วกันไปหมดนั้นไม่มีขอบเขตในพุทธศาสนานี่มีขอบเขตทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทานสี่งที่ให้เป็นโทษนั้นยินฐานถูกในพุทธศาสนา สิ่งที่เป็นคุณมีประโยชน์แก่ผู้ที่รับเรียกว่าทานเป็นประโยชน์ทานอีกอย่างหนึ่งทานนั่นคือหมายความถึงทา น, น, นวัตถุจาฆ่าสารให้เป็นให้เป็นทานอันนั้นไม่มีไม่มีวัตถุทานนี่ต้องมีวัตถุสิ่งของหนึ่ง แล้วก็มีผู้รับเป็นบุคคลอีกคนเป็นบุคคลเนือวัตถุหรือสิ่งอะไรก็ตามถผู้รับต้องมีวัตถุผู้ทานต้องมีวัตถุผู้รับก็ต้องมีมีคนมีตัวท่นยังเรียกว่าฐานอันนั้านนี่เป็นทูตสําหรับส่งผลบุญกุศลให้แก่คนที่ร่วงรับแต่แล้วดีนะัก นอกจากทานไม่มีสิ่งใดที่จะส่งให้ถึงผูต้ตายได้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีทานเท่านั้นทานที่วัตถุที่เรียกกับวัตถุนั้นท่านพูดถึงเรื่องทานคือให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าพ่อนครื่องนุ่มของหกยั่วยานภานะ ดอกไม้ทูบเทียนเครื่องรูปไาของหอมที่อยู่ที่อาศัยเหล่านี้เรียกว่าวัตถุเมื่อให้ให้แก่ผู้ให้แก่าอะไรแก่ผู้ที่รับเป็นประโยชน์แกผู้ที่รับให้สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นประโยชน์แน่นอนอย่างน้อยที่สุด ก็ได้บริโภคเช่นให้น้ำให้ข้าวให้น้ำเป็นตนหรือผ้าผพพ่อนอย่างนี้เป็นตนยิ่งฤดูหนาวเลยชอบนักฐานผ่านคนที่ทุกข์ที่จนจะได้รับแต่ฐานรับบริโภคใช้สอยดีนะฤดูนี้ถ้าหากให้สิ่งอื่นนอกนั้น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 ค, น, คนธรรมดามากรู้กคนสิ่งของวมมดัดทานนั้นไม่เคยทําแต่ว่ารู้จักอยู่ปทานถ้าหากเขถาถามทานน่ะประโยชน์อะไรก็พูดได้ดีตัวฉันเป็นตัวทําทานตัวฉันเป็นผู้ทาทาน ท, ท, นทานําทําบุญทําทานทานเมื่ อ, อไรก็ได้ ทานสิ่งอะไรก็ได้แต่ไม่เคยทำทานโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสนาลองคิดดูว่าทุกๆคนทานในพุทธศาสนาวันเกิดปีหนึ่งยังค่อยครบรอบปีหนึ่งยังค่อยถึงข่าวหรือทานกับคนตายทานให้อุทิศแก่คนตาย อย่างนี้เป็นต้นคิดดูพระเจ้าพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นอาศัยชาวบ้านการอยู่การทการฉันหรือผ้าของเครื่องนุมกค็คงต้องอาศัยชาวบ้านเพราะพระไม่ธรรมาหากินเป็นจะไปหาสแสวงหาไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีชาวบ้านให้แล้ว พาก็ต้องลำบากในพระพุทธศาสนาต้องเป็นอย่างนั้นลองคิดดูว่าปีหนึ่งอย่างครบแต่ละคนละคนในปีหนึ่งอย่างครบวันเกิดทีหนึง่งลองคิดดูอันพวกที่อันถ้าหาไม่ถึงวันเกิดพระก็ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ฉันเนวภานนพานั้นจะไม่ตายหมดหรือ ท่านั้นอยู่ได้ที่ไหนอันนี้สําคัญข้อสําคัญที่อยู่ได้นั้นเพราะคนอื่นเขาทําบุญนำทางตลอดเวลาจึงค่อยมีอยู่ได้ทางหากว่าค่อยๆตั้งแต่พระแต่คอยตั้งแต่โยมที่จะทําบุญอายุไอครบรอบปีหนึ่งจึงค่อยทําบุญที่หนึ่ง พระอยู่ไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่มีพระในศาสนานี้หมดทั้นนั้นนี่ยังให้คิดให้พิจารณาถึงเรื่องทําทานรู้จักทานแต่ไม่รู้จักทํามทานอันนี้พูดมากมันก็ยืดยาวให้พิจารณาออกถึงเรื่องทานนี่เป็นขั้นต้นถ้าห า, จากจะประพฤติปฏิบัติศาสนาต้องขึ้นขั้นนี้เสียก่อน ถ้ามีฐานเสแล้วหมดฐานต่อไปก็ไม่ได้ฐานนั้นเป็นเครื่องบำบุงจิตใจของเราให้พองใสค่อยก็เทิบขึ้นไปโดยลำดับที่จะรักษาศินต้องมีฐานเป็นพื้นเสก่อนฐานไม่ต้องทำเตาเอาแต่รักษาศินก่อนแล้วกัน หรือจินก็ไม่ต้องรักษาเอาใจภาวนาก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นบางคนพูดทานไม่ประโยชน์มากเสียเดียวเป็นเหตุให้สระทำจิตให้เป็นคนสระความเจ็นนีเหนียวแน่ของตนให้สระลงไปได้จิตใจของเรา มีการสระทำฐานไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเป็นประโยชน์แก่ตนเองในเมื่อเราสระจากขาะลงไปแล้วจิตใจกผ่องใสหากว่ามันเกิดมีอุปัติเหตุต่างๆเป็นไฟไหม้บานหรือไหม้เรือนสิ่งของ่างขารักเขาชอเขาโม ย, ยต่างเราก็ยอมสละได้ ทานนั่นนั่นก็ยังทานได้ทานคราวนั่นก็ยังทานได้ทำให้เก่ยงสาระไม่ได้เร่อนี้ <c oughs> ก็สบายใจนีม่มันเป็นประโยชน์ไปทางนี้ถ้าหากว่ามีแต่มัทยัดสนีเลี้ยวแนนไม่ยอมสาระเฉลยจิตใจของฮดหูใจใจไม่เ บ, บิกบานลองคิดดูคนทำทานจิตใจยังกุวงขวงคนไม่ทำทานในใจิตใจฮดหูเหวเหี่ยงแหง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 รักษาชิ้นชิ้นก็รู้จากทุกคนทุกคนแต่ว่าจะยอมรักษาหรือไม่ถ้ายอมรักษาก่อชิ้นก็เกิดมีขึ้นในตัวของตนในกายในใจของตนถ้าไม่ยอมรักษาชิ้นมันก็ไม่มีชิ้นไม่ใช่วาจาอื่นแต่ไกลอยู่ที่ตัวของเรานี้ เรารักษาเมื่อแดดก็มีขึ้นเหมือนนั้น้าหาเรารักษาแล้วความบริสุทธิ์หมดจดก็มีในตัวงเราการที่รักษาสิทิเราต้องงดเว้นเป็ข้อข้อสิทิที่เรารักษานั่นหมายความว่าเราประพติผิด เช่นว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เือผิดวิชาจานการของหัวชาวบ้านดื่มสุราไม่ไยนี่เป็นต้นนี่เรียกว่าสินหาเราทําแล้วเรายังค่อยยังค่อยรักษายังค่อยงดเว้นยังค่อยเป็นศินถ้าคนไม่ทําเสียเลยไม่เป็นศินถึงงดเว้นก็ไม่เป็นสิน อย่างเด็กมันนอนนิพพาอ้อมไม่ใช่เป็ไม่ใช่ศีลนั่นนั้นเด็กก็ไม่รู้จักทำอะไรมันไม่ใช่ศีลศีนมันต้องมีเจตนางดเว้นโดยเฉพาะเห็นว่าความชั่วในตัวในตัวของเรามีในที่นั้นคือไม่รักษาศีลขอนั้นขอนั้นเรียกว่าความชั่วเกิดขึ้นในตัวของเราเราจึงตั้งแจงดเว้น รักษาสินอันนั้นเรียกว่าสินสินนี่เป็นของมีอยู่ไม่แต่มาจีกที่อื่นที่ไกลที่ไหนหรอกที่เราไปขอกับพระเรียกว่าศีลาญาจามะขา้าพเจ้าขอสินด้วยไปขอพระพระท้องให้สิน ตามสมุดบัญญตัติท่านไม่ได้ให้มาได้อื่นท่านเป็นได้เพียงสักขีพยานเพื่อไม่ให้เราประพฤติร่วงละเมิดเกงกลัวทอะไรเกงกลัวใจท่านเกงกลัวท่านเป็นสักขีพยานให้ผให้เท่านั้นสินเัืงของเกิดขึ้นในตนของตัว Uh huh. อะหาเขารักษาได้ความบริสุทธิ์ของเราก็มีรักษาไม่ได้กอมันมีความบริสุทธิ์ก็ไม่มีโดยส่วนมากรักษาศีนตามประเพณีถือมาแต่โบราณอ า, า, าจารย์แล้วปู้ญาติญายถือมาเขารับก็รั บ, ร บ, รบไปตามเขาอย่างนั้นเน่ยแต่ศีลที่จะงดเว้นจริงๆอาจังเป็นข้อข้อ่ไม่มี ไปรักษารักษาศีลไปสมทางศีลที่วัดพร้อมเพียงเงินดิบดีแต่กลับบ้านแล้วหายหมดศีลไม่มีเลยไปเพียงแค่ประตู ว, วัดตังกรับคืนมามดศีลหรือพังเทียนลุกขนนลพร้อลงทำศีลเลยไม่ไปโยมเลยกรับมหาภาพของเกาะ พระเลยรักษาศีลไว้ให้โยมมันหลังมาขออีกแล้วขอไมาแล้วมาทั่วทั้งทีพระเป็นคนรักษาศีลเป็นคนเลี้ยงศีลมาให้โยมต้องการมาเมื่ อ, อไรก็ค่อยมาเอาอันนี้แหรักษาศีลไม่ถูกรักษาศีลไม่เป็นถ้ารักษาศีลเป็นอย่างที่ว่า มีเจตนา ง, งดเว้นในข้อ น, นั้นเห็นชินขนงตนวุ่นิสุดด่างพร้อยตรงไหนก็เห็นข้อไหนด่างพร้อยก็เห็นชินของตนด่างคร้อยนานนะเข้าเลยชินเลยรักษาตัวขา้าเราไม่ต้องรักษาชินคำว่าชินรักษาตัวคือมันชำนี่ชำนาคล่องแคลว บาปกรรมต่างๆเราไม่สามารถจะล่วงละเมือได้พราะเห็นที่จะสัตย์ที่จะต้องฆ่ามันก็คือเอ็นดูแล้วเห็นจริงของก็จะต้องรักต้องขโมยก็เมื่อเกิดเมตตาเินดูแค่คุณนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเรียกว่าศีลรักษาเราเราไม่ต้องรักษาศีลสานิสบายเลยจิตใจผ่องใสเบิกบาน ตลอดการเวลาอันนี้รักษาชินรักษาสินเป็นมันต้องอิม่มจิตใจเบิดวานของใสอันนั้นนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปขอพระและ้วทาวนี้สินมีอยู่ทั่วทุกแห่งทุกคนทุกคนเลยอยู่ที่กายว่าใจใจของเรานี่นี่แหละจึงว่ารักษาสินแท้ไม่ใช่ว่ารัก รักษาชินา้นอะไรก็ได้เราอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละรักษาเมาื่ออะไรก็ได้ทีแต่มันไม่รักษาสักทีนั้นทีมันยังละเลืง ม, มาจนฝ่านี้จะหมาชง้ว่าว่าอย่ารักษาชิ้นห่าให้รักษาชิ้นตัวเดียวชิ้นตัวเดียวมันรักษากันจริงจริงกันจาก อย่างค่าสัดเดิมงดเว้นเด็ดขาดให้รักษาจริงๆริงนจังอย่าไปรักษาวันสงวันเท่านั้นรักษาเป็นปีๆสมมติว่าค่าสัดลัก ข, ข้อหนึ่งรักษาให้ได้อย่างน้อยตั้งหกเดือนหรือปีหนึ่ง ถ้ามันชำนิชำนานซะก่าเอาจนสินรักษาตัวเองอย่างที่ว่านี่แหละรักษาตัวของเราอย่างที่ว่านี่แหลนี่ต่อไปค่อยๆรักษาข้อที่สองคือรักรักย์อันนั้นถ้าหากว่ามันรักษาไม่ได้ก็ต้องรักษาจังเป็นปีคุลนะเป็นเดือนในปีคนะน่ะถ้ามันชำนิชำนาญจริงๆเาจะมาบอกว่า รักษาสินง่ายนิดเดียวรักษาสิ่งสองข้อ เ, เดียวลองดูนันงข้อเมือนั้นกลับมารักษาง่ายมดุดไม่ยากเลยคือเมื่อเกิดเมตตาเกิดสงสารเกิดอินดูแกหมูสัตว์แก่มนุษย์ทั้งปวงมดเห็นอกเขาอกเราใจเขาใจเรามันถักชิ่งมารวมเองมามาอยู่ในใจนเองเนาะ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 จิตใจปองใสแล้วก็เป็นสมาธิทันทีสถานีสมาธิน่ะความคิดที่ฟนะองใสเพื่สุดเป็นหนึ่ง น, ะนั่นนะ่ะตัวสมาธิเป็นสมาธิวิ่งเข้ามาหาตัวไม่ไม่รู้เรื่องเลยั น, นส่วนปัญญาเนะี่ยไว้ต่างหากเอาเท่าทนั้นเถอกนะ่อนส่วนปัญญาไม่ต้องพูดรอกปัญญากลับมาไขามหา โทษทวนคือมาที่หลังเรืขอานี้ปัญญาถ้าหากคนไม่มีปัญญาไม่มีทางคนไม่มีสมาธิก็ไม่มีทานถไม่มีปัญญาก็ไม่มีสมาธิถ้าไม่มีศีลคนไม่เว้นไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิกลับไปอย่างนี้มีทรัพย์สินเงินทองของมากมาย ไม่มีปัญญาจะทําบุญทำทานได้ยังไงมีแต่ห้องเห็นมัธยมัธยชนีแล้วเนี่ยอันนั้นไม่หั่นเงินน้ทองอะไรมากมายพระพุทธเจ้าทําไมเทศนาว่าปัญญาข้อจริงของทั้งหลายนั้นเป็นของสัตนะเป็นของอยู่กับโลกไม่ใช่ของไปกับเราของเราแท้คือผลทานต่างหากคันมองเห็นอย่างนี้เขาเรียวกว่าปัญญาด้วยสิ คนไม่มองเห็นอย่างนี้จึงไม่สามารถที่จำทานได้ลองดูซิเวลาตายแล้วไปที่ไหนใดไม่เห็นจะไปด้วยนั่นน่ะจึงว่าของอยู่กับโลกยังไม่นาะยุ่งซะอีกเดือดร้อนน่ดวายคนที่อยู่ตามภายหลังยุ่งกันนะแย่งกันเราตายแล้วเขาแย่งกันภายหลังคนนั้นเลยเป็นเหตุให้เขายุ่งเขาแย่งกัน นั่นแะคนไม่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาไม่สามารถรักษาศีลได้คนไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจะรักษาศีลได้ไงเชื่อกรำเชื่อผลของกรรมที่จะรักษาศีลได้การทําผิดศีลทุกข้อเป็นกรรมเป็นเวรเป็นบาปบาปเป็นของใครเนี่ยของเรานั่นแหละ ที่ตัวของเราเนี่ยเกิดขึ้นที่ตัวของเราขเราเห็นโทษเห็นกรรมอย่างนั้นมาเป็นของของเราแท้คนอื่นไม่สามารถรับของเราไปได้เห็นชัดอย่างนั้นเออใครที่จะไม่สามารถรักษาสินได้ก็ต้องรักษาสินได้ดสิอันนี้ไม่มีปัญญาอย่างนั้นจึงไม่รักษาไม่สามารถรักษาสินได้ อันนี้เ่าคนมีปัญญาจึงรักษาสินได้คนไม่มีปัญญาไม่สามารถรักษาสินได้เลยคนที่มีปัญญาจึงค่อยส า, สามารถทําสมาธิให้เกิดขึ้นสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้าะมีเยบคายภายในตัวของเราพิจารณาเห็นสุขเห็นเป็นเ อ, อ, เ อ, อ, เ อ, อ เห็นสิ่งทั้วงวัดในโลกเั้นของไม่เทียงเห็นสิ่งทังปวงเว็นของถูกสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วก็สุราวางสิ่งทัวงเรานั้นได้ยึดจิตใจกระเวกบาเป็นสมาธินี่อาตมาที่บายียงแค่นี้เรื่องสินสมาธิปัญญาใ้เรื่องทานเรื่องศินเรื่องสมาธิเอาเพียงแค่นี้ อธิบายทังเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิแล้วมันมีปัญญาในตัวพร้อมในตัวจึงเรียกว่ามีปัญญาเค่อยเกิดยังค่อยเกิดจริงทั้งหลายนั้นอ่าอธิบายนตรงตั้งใจให้ตั้งจิตตั้งใจจริงๆจังว่าเวลานี้เราจะทำํำภาวนาสมาธิละ ทั้งหลายที่กังวลเกี่ยวข้องโคพันอยู่ในใจของเราเละปล่อยวางเหมือนมดไม่ใช่ปล่อยมดออกปล่อยเดียเด๋ยวนี้แหละอยู่เดียเด๋ยวนี้ในเวลานี้ล้ะออกไปแล้วมันมันวิ่งมาเองเหรอกในเวลานี้กําลังทําสมาธิภาวนาปล่อยวางเหมือนมดอย่ามันมีกังวลเกี่ยวของจิตอันเป็นของอันเดียวไม่ของมากมายเลย ขันปล่อยมาวางมาแล้วมันก็นมีแต่เดียวมันก็นอยู่เป็นสมาธิทันทีนิดเดียวอยู่อยู่ที่นั่นนิดเดียวเท่านั้นจิตมันหลนะั่นเป็นเป็นอาการของจิตหลายเรื่องหลายอย่างเป็นอาการของจิตจิตนั้นของเร็วที่สุดเราเข้าใจว่าจิตหลายดวงแต่แท้จริงจิตดวงเดียวเท่านะั้นความที่จะทําสมาธิ ต้องใช้คำมฏิกับจะเอาอะไรก็ได้อาพุโทโธก็ได้เอาอาปาสติก็ได้ธรรมะนาสติก็ได้แต่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็ได้ที่หลายอย่างหลายเรื่องนั้นท่านแสดงไว้หลายอย่างหลายเรื่องแล้วแต่คนจะไปตนไอ้คนพูดพิดจะไหน จะไปพิจารณาได้ก็เอาพิจารณาได้ก็ได้แต่ว่าให้เอาอันเดียวคือไม่เอาหลายอย่างเอาหลายอย่างมันพุ่งเสียเอาอันเดียวมันรวมมันเฉพาะอันเดียวตอนนีน้แม้ที่สุดอันเดียวก็ต้องทิ้งคือเมื่อจิตรวมแล้วไม่ต้องไปยืดออกนั่นเรเรียกว่าเป็นสมาธิระจิต รวมมาเป็นจิตรวมเป็นสมาธิได้ก่อนที่จิตจะเป็นสมาธิเราต้องพิจารณากายพิจารณากายเป็นของเปื่อยเน่ากระติกกูลเห็นพิจารณาเป็นธาตุสี่น้ำไปลมก็สุดแล้วแต่ไปพิจารณาอะไรเถอะมันชัดโดยอาการใดให้พิจนารณา้นี่ย มันชัดลงไปแล้วมันมันชัดแต่หมายความถึงจิตมันเป็นสมาธิกว่ามันกว่าชัดถ้าจิตไม่เป็นสมาธิไม่ชัดจิตไม่เป็นสมาธินั้นอันทําใันชัดนันเรียกว่าจิตไม่เป็ น, มปนสมาธิให้วางเสียการพิจารณานั้นให้มากําหนดเอาพิจารณ า, า, า, าเอาพิจารณาที่ใจราะพิจารณาอาอารมณ์มันไอกรรมฐานของเราบนต้นนั้นถ้าไม่ชัด หัดอย่างนี้อยู่เสมอเสมอให้รู้จักว่าจิตของเราเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิเห็นตรงนั้นอ่ะตรงที่มันชัดหรือไม่ชัดอ่ะถ้าหาแว่ามันชัดลงไปแล้วพิจารณาจริงไปแล้วมันรวมเอาเป็นอันหนึง่งเขาเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเหมือนกันพระพุทธศาสนานี่ทั้งหมดรวบรวมเก็บรวมแล้ว ตกรงว่าจิตนั่นเป็นหนึ่งเสก่อนพุทธศาสนารวมเป็นหนึ่งมีถึงที่สุดคือรวมเป็นหนึ่งไม่เหมือนศาสนาไม่เหมือนวิชาทั้งอื่นวิชาทั้งอื่นยิ่งเรียนยิ่งกว้างศึกษาศาสตร์ยิ่งกว้างมากพุทธศาสนานี่รวมว่ารวมเป็นหนึ่งทั้งนั้นะ แต่พียันอาร์แรกรวมเอาหนึ่งนะเนี่เรียกว่าถึงที่สุดอันไม่ถึงที่สุดนั่นคือมันไปตามอาการถึงที่สุดนั้นหมดอาการคือไม่คิดไม่นึกหมดเท่านั้นไม่คิดไม่นึกมันจะรู้อะไรไมันจะฉลาดได้ไงมันหักจะฉลาดมันหักจะรู้ขอให้จินใจก่อนอย่าพึ่งกลัวมันเลย อันหากว่ามันรวมเป็นหนึ่งแล้วจิตนั้นอันเดียวเนี่มันย่อมแสงสว่างย่อมปรากฏขึ้นในจิตอันเดียวนะถ้าหากว่าหลายอย่างนั้มันมัวจิตมันวุ่นวายวุ่นวายรงสายในสิ่งหุวงแล้วมันไม่เห็นมันอยู่ในจิตแทนมดทุกสิ่งทุกอย่าง มันถ้าเห็นแล้วคันท้าหาว่าจิตมันพองใสแล้วมันเห็น